ไหนก่อนที่ใจหรือที่กายที่วาจาก่อนออกำเริ่บที่ใจก่อนพอใจํำเริ่บแล้วมันพูดออกมาไหมร้อนจริงโว้ขอไปรนะ้อนจริงโว้ ร้อนจะตายอยู่แล้วอะไรเงี้ยหนาวจะตายอยู่แล้วเนี่ยเห็นไหมมันละเมิดออกมาเลยแหละถ้าไม่มีขันติสังวรเอ๊ะัางง่วงเนี่ยมันมีขันติสังวรไหมมีไม่มีอ๋อไม่มีเหมือนกันเลย <c oughs> ลองดูข้า ง, างๆโดยที่มีใครนั่งสุดงงเนี่ยเลยขยับหน่อยบอกตอนนี้กําลังเรียนถึงคันติสังวรแล้วเห็นไหมคันติสังวรมีอะไรเป็นประธานอะโทสากฉะนั้นอัทโทสากเนี่ยจะต้องมา ขับเน้นถึงความไม่โกรธเขาว่าไงนะเห็นปัญหาประดุดดังเวทีทดสอบความสามารถปู <c oughs> ้ให่ไหมบอกโอ้โหได้ขึ้นเวทีทดสอบความสามารถอีกแล้วหวันนี้ได้ขึ้นเวทีทดสอบความสามารถอีกแล้วแต่ยิ่งเจอเวทีบ่อยๆดีไม่ดีจะได้ทดสอบความสามารถเรื่อยๆยอมรับได้ด้วยปัญญาเข้าใจเลยใช่ไหมว่าเออนี่ไงอย่างเราต้องเจอปัญหาแบบนี้จึงจะคู่ควร <c oughs> คิดนี้ได้ไหมอาถ้าไปไปเจอโรคร้ายเจอที่ตัวเราเองนะพอหมอไปตรวจพบเจอปุ๊บขอภัยนะอุ้ยเป็นมะเร็งตับขอภัยเราจะคิดยังไงคิดงไงโอ้โ ห, โหได้ขึ้นเวทีทดสอบความสามารถใช่นี่ไงขันตีสังวรจะได้มาใช้ตรงนี้แหละมั่นใจตัวเองได้ไหมตอนนี้เรียบโทรหาหมอได้ไหมรียบโทรหาหม อ, อห่แย่ได้งานนี้ ไ, ไปตรวจไม้ปอดแฟบไปข้ามหนึ่งแล้วจะเป็นไงตื่นเต้นไหมตื่นเต้นในการได้เจริญคันติสัมวอหรือตื่นเต้นว่าเราตายเนี่ยเอาไปตรวจไม้อีกตรวจไม้อีกเนี้ยตายฝอไปแล้วตายป่อไปแล้วทําไงเนี้ยโทรศัพว่าใครจะบริจาคไตากูขอใครย้ า, ายไตเรางหนอย่างนี้เปล่านี่ไง ถามนี่ว่าผมขนเล็บปันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยทั้งหลายอา ว, วัยวะน้อยใหญ่ในร่างกายทั้งหลายเป็นรังของโรคหมดไหมเป็นตัวโรคไหมเราต้องเจอแน่นอนไหมเจอไม่เจอฉะนั้นขันติสังวรจําเป็นแล้วท่านทั้งหลายขันติสังวรเป็นแล้วภัยมันมาทั้งภายในและภายนอกอุปสรรคปัญหามันมารอบด้านถ้าไม่เร่งรีบในการเจริญขันติสังวรถ้าวันนี้ไม่เจริญกุศลศีลอันนี้เสียแล้วจะไปเจริญเมื่อไหร่ ใช่ไหมรักษาศีลใจเป็นมดได้ไหมไม่ได้เลยต้องเข้มแข็งมีไหมมีพระโพธิสัตว์หรือสาวกพทธเจ้าตรงไหนไหมนั่งกลัวแดดกลัวล ม, ลมกลัวฝนไม่มีหรอกมีพระเถระรูปหนึ่งท่านเป็นนั่งตากแดดร้อนจัดประมาณ50องศาอี้เป็นต้นปัจจุบันเมื่อวานถามพระที่ท่านมาจากอินเดียบอก50องศา ร, ร้อนไม่50สน่สามารถไปตากแดดได้ไมไม่ไหวเลยนะ ท่านก็ไปนั่งตากแดดอยู่นั่นแหละนั่งตากแดดนั่งกรรมฐานท่า น, นนะนะก็มีพระไปถามบอกว่าทําไมท่านมานั่งอย่างนี้ท่านตอบพระหน่ยหอยได้ไหมท่านบอกว่ากับผมกลัวร้อนผมจึงมานั่งอย่างนี้เราคิดออกไหมเนะี่ยทำไมคนกลัวร้อนไปนั่งตากแดดตอนนั้นท่านพิจารณาความร้อนในเอเวจีมหานรกอยู่ท่านกําลังพิจารณาอยู่ เนี่ยถ้าคนคิดอดีตได้เนี่ยเขาชัดเขามั่นใจในคําสอนเนี่ยที่นั่งๆั่กันอยู่ทั้งหลายขอไปไม่ได้ไปตำหนิกันนะอมาด้วย น, นะเคยผ่านเ ว, เวทีนรกมาหมดแล้วแต่เราเป็นคนที่ลืมเนี่ยเพิง่งโดดขึ้นมาหมาัดหมาที่เรามาทําทีทําท่าลืมเนื้อลืมตัวกันอยู่เนี่ย <c oughs> เห็นไหมเดี๋ยวก็อยากจะโดดลงไปกันใหม่แล้วใช่ไหมใช่ตามคําสอนใช่ไหมเรามีศรัทธาในตถาคตโพธิศรัทธาไหม เชื่อไหมเราเคยผ่านนรกมาจริงเอาความร้อนในนรกมาพิจารณาหน่อยได้ไหมจะได้ไม่กลัวปัญหาจะได้ไม่กลัวอุบารว์ถามตัวเองบ่อยๆ บ, บอกว่าที่ยังอยากจะทําทุจริตทนไม่ได้เวลาใครด่าก็ทนไม่ได้เวลาเห็นของสวยๆงามๆก็ทนไม่ได้ อยากจะซื้ออยากจะได้อภิชาและโทมนัทของของคุณเนี่ยทำไมมากจางเนี่ยนะถามบอกว่าอดกลั้นได้ไหมเนี่ยจะได้ไม่ละเมิดบาปประกรรมทางกายทางวาจาและทางใจเพราะคนที่เดือดร้อนกันทั้งหลายก็เพราะคนขาดขันตินะแล้วก็จะไปเดือดร้อนในอนาคตในอายภูมิทั้งหลายก็เพราะคนขาดขันติทั้งนั้นให้เห็นภัยในอายภูมิมันเอาอบายภูมิคือเอามหานรก8ดขุมมีเวจีมาพิจารณาบ่อยๆสังขาร ตานรกการาสัสตานรกใช่ไหมโรรุวามหาโรรุวาไปเอามาพิจารณาบ่อยๆว่านี้เราเคยผ่านมาแล้วมาวันนี้ยังมาไม่ละอายชั่วไม่กลัวบาปอีกแล้วจทะทําะรให้ตัวเองไปขนาดไหนถามตัวเองแบบเนี้ยเห็นอบายศาสตร์คือเห็นวัวเห็นควายทั้งหลายเห็นสุนัขเห็นแมวซึ่งเต็มไปหมดเนี่ยก็พิจารณาบอกว่าเราเคยเป็น เพราะเรามีราคาโทรศัมหาใช่ไหมแล้วถ้ายังขจัดราคาโทรศัมหาไม่ได้เดี๋ยวเราก็จะต้องไปเป็นเนี่ยเอามาใข้ควรเอาพิจารณาบ่อยๆได้ไหมได้ไม่ได้อันนี้เขาเรียกว่าทุกขสัจเนะื้พิจารณาเอาสิ่งเหล่านี้มาพิจารณาที่ท่านบอกท่านกลัวร้อนเพาท่านกลัวความร้อนในเวยียีมาด้ลกท่านบอกว่าไม่ไปอีกแล้วยังไงก็ไม่ไปเด็ดขาดฉะนั้นท่านจะนั่งขจัดกิเลสให้หมดให้ได้ก่อนก่อนที่ชีวิตมันจะหมดไปท่านจะขอขจัดกิเลสให้หมดไปก่อนเนี่ยมาถามจริงทุกวันเราห่ ห่วงใครเนี่ยห่วงพ่อห่วงแม่ห่วงลูกห่วงพี่ห่วงน้องห่วงเพื่อนห่วงใครห่วงพระพุทธเจ้าห่วงพระธรรมห่วงพระรัตนตรัยห่วงไหมห่วงไหมว่าศาสนาจะเสื่อมห่วงไม่ห่วงอย่ากลัวว่าศาสนาจะเสื่อมจงกลัวว่าตนเองจะตกจากศาสนาเสื่อมจากศาสนาอันนี้สําคัญเหวินอย่าไปกลัว ศาสนาอย่างไรอย่างไรก็ลากยาวไปถึง 5,000 ันปีไม่ต้องกลัวหรอกเชื่อพุทธยานเธอแต่จงกลัวว่าตนเองจะตกจากศาสนาวันนี้หรือเปล่าศีลเป็นชื่อของศาสนาสมาธิเป็นชื่อของศาสนาปัญญาเป็นชื่อของศาสนาศิกขาสามเป็นชื่อของศาสนาตรวจสอบดูทีว่าศีลสมาธิปัญญาเนี่ยประชุมในกระแสของความคิดเราหรือยงัง กระแสของขันท่าอายตนะของเราหรืออยางห่วงหลานไหมห่วงไม่ห่ว ง, มวงไม่ห่วงนะอะไม่ห่วงแล้วคนหน่ายเจยอใจแล้วห่วงใครดีห่วงกระแสะขันท่าอายตนะของเราเนี่แหละมันจะเดินผิดทางยังอยากจะไปช่วยใครอีกไหมที่นนน้ําท่วมไฟไหมยังอยากจะไปช่วยไหมโอ้โหตรงนั้นไม่มีโบสถนั่นก็นยังไม่ได้สร้างยังอยากจะไปช่วยไหมเนี่ยช่วยตัวเองคือตอนนี้น้ํามันจะท่วมแล้วมันจ่อขอหอยแล้วตอนนี้ใช่ไหม มันจะท่วมจมูกอยู่แล้วเดี๋ยวลมหายใจก็ขาดหาวินาทีข้างหน้าอาจจะกลายเป็นชาติหน้าของใครบางคนก็ได้ใช่ไหมแต่ที่เป็นเน่ยเป็นแน่แล้วมัวห่วงใครชีวิตนี้ยจเจริญกุศลเยอะๆรับเพียขันติสังวรต้องชัดเจนไหมต้องชัดเจนนะวิริยะสังวรได้แก่วิริยะที่เป็นไปด้วยอำนาจทั้งการจัดการหรือกําจัดกามวิตกพยาบาทวิตกและวิหิงสาวิตกนะนั้น พิกสุย่อมไม่รับไว้ย่อมรั้ย่อมบรรเทาซึ่งกาเมวิตกที่ถ้ากามวิตกนะความกำหนัดเกิดขึ้นมาจะยอมรับเขาไหมในศาสนาคลิปขอไปนะบางศาสนาเขาไปผู้หญิงกับผู้ชายเขาไปแต่งงานกันเขาจะถามกันไงคุณจะยอมรับท่านคนนี้เป็นภรรยาไหมสรุปก็คือว่าคุณจะยอมรับกาเมวิตกไหมฝ่ายชายเขาบอกยอมรับแล้วคุณจักยอมรับพยาบาทวิตกไหม ฝ่ายชายก็บอกยอมรับใช่ไหมผมให้ผู้ชายพูดก่อนคุณจะยอมรับวิหิงสาวิตกไหมคือยอมรับคือถ้าไปอยู่ด้วยกันมันจะมีแต่กามวิตกพยาบาททิตกหญิงสาวิตกจริงไม่จริง้เรื่องของกิเลสมันจะเป็นแบบนี้ฝ่ายหญิงก็ต้องยอมรับผู้ชายอย่างนั้นยอมรับการมวิตกพยาบาทวิตกและววิหิงสาวิตกแต่วิริยะสังวรเขาไม่ยอมรับแบบนี้นะเขาไม่ให้ยอมรับกามวิตกไม่ให้ยอมรับพยาบาทวิตกไม่ให้ยอมรับวิหิงสาวิตก อันเราจะยอมรับไหมยอมรับไหมกาโมวิตกเข้าใจคําว่ากาโมวิต๊กไหมคิดในเรื่องของสีเสียงกลิ่นรสสัมผัสคิดในเรื่องของกาลมีคิดขังเรื่องของกาลด้วยอำนาจทังกิเลสกาลมอยู่เรื่อยๆเลยอันนี้ก็เรียกว่ายอมรับกามวิตกยอมรับพยาบาทวิโตกก็แปลว่าความโกรธจะเกิดเวลาไหนก็ยอมให้มันเกิดหงุดหงิดพุ่งซ่านเวลาไหนก็ยอมมันยอมมันเรายอมตลอดไหมโดยข้อเท็จจริงยอมตลอดต่อไปเราจะยอมไหมถ้ายอมเขาเรียกไม่มีวิญญาณสังวร ถ้าไม่ยอมเขาเรียกมีวิทยาสังวรเอายอมไม่ยอ ม, ยอมก็สมาทานเลยที่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเข้าไปเจ้าจะไม่ยอมรับการมวตตกไม่ยอมรับพยาบาทวิตกไม่ยอมรับวิหิงสาวิตกพูดเล่นหรือพูดจริงพูดเล่นหรือพูดจริงคำนี้พูดจริงๆใช่ไหมสมาทานจริงๆนะก็สมาทานสิต่อไปเข้าไปเจ้าจะไม่ยอมรับการมวิตกพยาบาทวิตกและววิหิงสาวิตกให้เกิดขึ้นในความคิดของข้าพเจ้าอีกแล้ว เอาถ้าเขาจะมาทำไงใช้หลายไลน์ก็วิริยะสังวรเขาไม่ยอมรับใช่ไหมได้แก่พยายามที่จะยกจิตขึ้นแม่อยู่ในภายในพยายามยกที่เพราะจิตมันตกไปหากามอยู่เรื่อยตกไปหาพยาบาทอยู่เลยตกในการจะคิดเบียดเบียนก็หนแล้วก็ยกขึ้นมายกเข้าหากุศลยกเข้าหากุศลใช่ไหมแล้วก็ประคับประคองไว้ด้วยไหมเอาบ้านจะพังต้องหาไม้ยคำไหมถ้าบาปมันจะเกิดต้องพยุงจิตห้ามไว้ไหมห้ามไว้ใช้ความเพียรห้ามไว้ <c oughs> ยากไหยากเนยลำบากันะยากไหมยากก็ยอมมันนะครับท่านแม้ความบริสุทธิ์ด้วยอาชีวะก็ย่อมถึงซึ่งการสงเคราะห์ลงในวิริยะสังวรนะอาชีวะบริสุทธิ์ที่เนี่ยทหารมิชชาชีพที่พระพุทธเจ้าติเตียนแล้วก็สำเร็จการเลี้ยงชีพโดยการแสวงหาปัจจัยที่ไม่มีโทษเนี่ยเป็นวิริยะสังวรเข้าถึงการรวมลงในวิริยะสังวรนี้เพราะเป็นความสําเร็จด้วยวิริยะ วิริยะเนี่ยเป็นตัวขับเคลื่อนเนี่ยตรงนี้ก็นี่ก็วิรยิยะสองวรจบแล้วต่อไปก็อวิตรกรรมก็คือการไม่ก้าล่วงเป็นสีเนื้อนะอันนี้หมายถึงกุศลจิตตุบุบาทเป็นเหตุให้ไม่ก้าล่วงบาปกรรมทางกายทางวาจาผู้ที่ตนเองสมาทานไว้คืออวิตรกรรมเนี่ยออกล่าวไว้โดยความกว้างขวางมากเลยนะ ก็คือการสภาพที่ไม่ล่วงละเมิดไม่ก้าวล่วงไม่ก้าวล่วงปาณาติบาตไม่ก้าวล่วงอาทินนาทานไม่ก้าวล่วงกาเมสุมิชาจารไม่ก้าวล่วงมูสาวาทไม่ก้าวล่วงปิสุนาวาจาไม่ก้าวล่วงพุลุสวาจาไม่ก้าวล่วงสัมผัสปลาปะไม่ก้าวล่วงอภิชาคือการเพ่งเล็งอยากได้ไม่ก้าวล่วงพยาบาทและไม่ก้าวล่วงมิจฉาทิฏฐิสภาพเป็นการไม่ก้าวล่วงทั้งหลายเหล่านี้เป็นอาวิติกามไม่ก้าวล่วงก็คือไม่ล่วงละเมิด ไม่ทําให้การฆ่าการลากักการประพฤติผิดในการพูดเทศส่อเสียดคําหยาบเพื่อเจอ้อไม่โลภไม่โกรธแล้วก็ไม่เห็นผิดไม่จิตใจไม่ละเมิดอกุศลกรรมรบท10ษอันนี้ก็เรียกสภาพเป็นการไม่ก้าวล่วงอันนี้เบื้องต้นก็ทําตรงนี้ถ้าระดับสูงขึ้นไปก็ค่อยว่าไปตามลําดับเลยนั่นคือสภาพจิตที่ไม่ก้าวล่วงนั้นเป็นศีลนะเป็นกุศลศีลตรงนี้มาพิจารณาอย่างนี้ก็คือว่าแลเวลาสามสิบนาทีเนี่ยนะ เจตนาศีล น, นี่เราเทียบเคียงนิดหน่อยที่จริงอนกรณีาการที่ว่าพยายามอธิบายเนี่ยมาพยายามจะสรุปประเด็นเราเนี่ยที่ที่ที่นั่นๆก็ว่าก็เพราะเอกสารเยอะนี่นคือเรื่องศีลเนี่ยเคยเคยพูดไว้แล้วในส่วนนี้ แต่ส่วนตรงนี้ก็คือพูดแล้วจะมาสรุปตอนช่วงหลังจากช่วงเย็นไปแล้วก็จะวิธีการเจริญซึ่งซึ่งซึ่งขับกล่าวว่าจะเน้นขับเน้นตรงนั้นให้ได้เนี่ยให้ทันเนีน่ยตรงนี้ก็คือว่าพูดถึงในเรื่องของคำว่าเจตนาศีลเนี่ยในการเนี่ยบอกว่าเจตนาศีลกับเจตสิกศีลเนี่ยที่ขับเน้นกรณีการที่จะเป็นประธานเจตนาศีลเป็นประธานยังไงเจตสิกศีลเป็นประธานยังไงก็ขับเน้นร า, ายละเอียดตรงเนี้นะพูดถึงในลักษณะของคําว่าเจตนาเนี่ย เจตนาที่เป็นไปอยู่ด้วยการสําเร็จด้วยการงดเว้นจากการปฏิบาตในฐานะที่เจตนาเป็นประธา น, นเนี่ยพอเจตนาเป็นประธานกลุ่มเจตสิกศีน์ทั้งหลายก็อยู่ในฐานะคล้อยตามคล้อยตามเจตนาไปยกตัวอย่างเช่นในกรณีาการตั้งใจในการจะสมาทานงดเว้นจากงดเว้นจากการฆ่ า, า, า, า ก, การละการกระพุติผิดในการที่จะรักษาศิกขาบทนั้นให้เต็มให้บริบูรณ์ทั้งหลายเหล่าเนี้ เจตนาที่มีความตั้งใจจงใจตั้งใจอย่างมุ่งมั่นมีจิตใจที่ตั้งมั่นอย่างรุนแรงอย่างเงี้ยลักษณะนั้นเจตนาก็เป็นใหญ่เป็นประธานของเจตสิกธรรมเราอื่นไปทีนี้ประการต่อมาถ้าเจตสิกเนี่ยนะถ้าอภิชาเนี่ยอภิชาคือความไม่โลภนะอภิชาคือเออขออภัยอ่นะพิชาคือความไม่โลนะอออออภอ่ะนะพิชาคือความไม่โลภ ถ้าความไม่โลภเนี่ยเด่นใช่ไหมเช่นความไม่ติดข้องความไม่ยึดติดความไม่ไม่ยึดติดวัตถุสิ่งของหรือบุคคลทั้งหลายเหล่านี้เด่นขึ้นมาแล้วก็เป็นปัจจัยเหตการที่ทําให้ตนเองนั้นน่ยไม่ร่วงละเมิดบาปทางกายทางวาจาหรืทางใจนเนี่ยในขณะนั้นก็เรียกอภิชานะเด่นบางครั้งก็เมตตาก็เด่นมีความเมตตามีความรักมีความปรารถนาดี กับบุคคลอื่นก็เลยไม่ฆ่าก็เลยไม่รักก็เลยไม่ประพฤติผิดในกรรมก็เลยไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดคําหยาบและเพ้อเจือเป็นต้นอย่างนี้เขาเรียกว่ามเมตตาหรืออะคืออัพยาบาทเด่นเด่นกว่าเจตนาบางคราวปัญญาเน่ยเด่นกว่าปัญญาไปพิจารณาเห็นกรรมและผลของกรรมของสัตว์ทั้งหลายเบียดเสดเด่นก็เลยสมาทานสิกขาบทตั้งใจเลยที่จะงดเว้นจากบาประกรรมทั้งหลายอย่างนี้ก็กปัญญาเด่นกว่า เจตนาเป็นต้นอันนี้ก็มาไล่ทีนี้เจตนาเนี่ยนะในคราวที่เป็นไปด้วยสามารถในการสมาทานที่มีอนาคตอารมณ์เป็นสมาเป็นเป็นเป็นในอนาคตเป็นอารมณ์ในการสมาทา น, นหรือปัจจุบันก็ได้ในวัดปฏิบัติในการปฏิบัติชัดเจนตรงนั้นก็ดูว่าอย่างเหมือนการตั้งใจตั้งใจในการปฏิบัติพ่อแม่ให้ดีปฏิบัติครูบ า, าบ อ, อ, อ, อาจารย์ปฏิบัติต่อเพื่อนต่อญาติมิตรทั้งหลายปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกาที่ดี มีความตั้งใจสูงนี่เจตนาเด่นนะกลุ่มนี้คือเจตนาเด่นมากในเจตนาในการประพฤติปฏิบัติหน้าทียงตัเองให้บริบูรณ์อันนั้นเรียกเจตนาเด่นไปอ น, นาพิชาอพยาบาทสมา ธ, ธิิบางคราวก็เด่นอย่างนี้นะอันนี้ก็ไปดูในรายละเอียดตรงนั้นเจตนาเนี่ยนะถ้าเรามองอย่างนี้ก็คือว่าในชั้นคําสอนเจตนาก็คือว่าในด้านของศีลเนี่ยนะ ก็ทำให้กายกรรมวจีกรรมตั้งไว้ดีดีเนี่ยเจตนาศีลเจตนาที่เกี่ยวกับการรักษานี่นะถ้าเรามองอย่างนี้คือว่าศีลมีหน้าที่รักษากายวาจาไม่ให้เป็นไปในทางทุจริตและอุสุทรกรรมต่างๆเหล่านี้นะการรักษาทางใจเพื่อไม่ให้มโนทุจริตเกิดขึ้นอันนั้นเป็นที่จริงเนะี่ยถ้าขับเน้นอย่างนี้คือขับเน้นภาวนาแต่ก็สรุปก็อยู่ในกลุ่มของศีลในชั้นคําสอนท่านพูดเขาว่าเจตนาศีลคือการรักษาสิขาบทงดเว้นจากการฆ่าการลักเป็นต้นทีนี้ สามารถที่จะหนุนให้สมาธิปัญญาแล้วก็ในท่สุดจริงๆเป็นปัจจัยแก่มรรคผลเป็นต้ น, นให้เกิดขึ้นมาได้ในชั้นของกาสอนที่ฉันใช้คำว่าสีเลปฏิถหายานโรสปัญโยจิตตังปัญญาสัญญัญญจ่าพาวยังอาตาปีนิปโกภิคุโศยมังวิชัตเะเยเ ช, ต, ยชตันติเนี่ยนะหรือชะตังเนี่ยผู้มีปัญญาแปลได้ไหลายในถ้าแปลแบบเอาความก็ได้นะแปลสัพท์ต่อศัพท์ก็ได้เนี่ยนะแต่แปลแบบเอาความหมายไปเลยนะให้ได้ความหมายเลยนี่นะนี่เรียกแปลความ ผู้มีปัญญาที่เกิดจากกรรมเนี่ยกรรมช่ปัญญาเนี่ยกรรมช่ปัญญาก็แปลว่าประกอบด้วยตีเหตุกาปฏิสนธิเกิดมาพร้อมด้วยความไม่โลภความไม่โกรธแล้วก็ปัญญานี่นะฮะเป็นผู้มีปัญญาที่เกิดจากกรรมนีปัญญาเออปัญญาที่เกิดมาพร้อมปฏิสนธิตั้งมั่นอยู่ในศีลกุศลใช่ไหมผู้มีปัญญาเกิดมาพร้อมด้วยความไม่โลภความไม่โกรธนะมีปัญญาเกิดขึ้นในขณะปฏิสนธิต่อมาตั้งมั่นในศีลสีประการ ตั้งมั่นในปฏติโมกสังวรศีลอินเดียสังวรศีลอาชิวะปริสุทธิศีลและปัจจยา ส, าสันนิสิตาศีลจนรายละเอียดว้ทีนี่นะตั้งมั่นในศีลสีสระการเนี่ยนะอันเป็นอุปนิสัยอันเป็นพื้นฐานของแล้วก็อบรมจิตอบรมจิตในที่นั้นนะ่นะจิตตั้งเนี่ย จิตตังเป็นเย็นเสียเนี่ยอบรมจิตเนี่ยนะอันเป็นพื้นฐานสมถานนี้ทำอบรมจิตในที่นั้นในชั้นคําสอนท่านเอาสมาบัตแปดปฐมฌาน ต, ต, ต, ตุติยฌานตติยฌานเจตุตฌานแล้วก็ลู่ฌานอีกสีรวมอุปจาระให้ด้วยเหนือรวมอุปจารสมาธิให้ด้วยแล้วก็เจริญวิปัสนาเจริญวิปัสนานะ สรุปก็ว่าศีลสมถาวิป น, น, นันนี่เป็นผู้มีความเพียรสามารถเผาบาปอกุศลธรรมทั้งหลายให้เลาร้อนด้วยอํานาจแห่งการกระทําให้ต่อเนื่องเป็นผู้มีปัญญาสามารถทําให้โมหะที่เป็นปฏิบัติแก่ตนให้เหือดแห้งไปได้หรือเป็นผู้มีปัญญาเป็นเครื่องรักษาตนนี่พ้นจากราคาโทสะโดยเฉพาะโมหะนั้นเป็นปฏิบัติแก่ตนเป็นผู้มีปัญญาในการที่จะดําเนินกรรมฐานไปได้อย่างต่อเนื่องตรงนี้ก็เรียกว่าอะไรนะหนึ่งศีลสองสมาธิ สรุปก็หนึ่งปฏิสนทีปฏิสนธิมาด้วยปัญญานีมีปัญญามาตั้งแต่การเกิดแล้วมาอบรมศีลทําสมาธิให้เกิดขึ้นเจริญนิพพานาทางรกชัดคือราคะโทสาโมหะโดยเพราะขะจัดโมหะให้หมดสิ้นจากกระแส ข, ของขันธาตุอายตนะได้แล้วมีคําว่าสัมมประทานกับปริหาริกาปัญญาด้วยในชั้นของปริหาริกปัญญาเนี่ยสัมมประทานก็คือการเพียนเผากิเลสให้เราร้อนเป็นเชิงสัมมประทาน บริหารดการปัญญาเนี่ยท่านเอาปัญญาที่เกี่ยวกับการบริหารอภิกันเตปฏิกันเตะสมประชานากาลีวเดียในการที่จะในการยืนในการเดินในการนั่งในการนอนในการหลับในการตื่นในการพูดในการนิ่งแม้ในการทํากิจต่างๆที่เป็นไปกับปัญญาท่านขับเน้นอย่างนั้นเลยแหลตรงแลเหลี่ยนเหลียวเนี่ยในการคู่เข้าเหยียดออกในการอะไรกันก้าวไปเลยถอยกลับอภิกันเตะนี่ก้าวไปเลยก้าวไปเลยถอยกลับอภิกันเตะปฏิกันเตะเนี่ย ในกรณีอิงการเนี่ยก็เรียกว่าสัมประชัญญาที่เป็นไปในฐานะเจ็ทีนี้ก็จะสามารถที่จะมีกำลังในการถังลบชัดได้เพื่อจะออกจากสังสารวัตเป็นต้นได้ตรงนี้ในชั้นคำสอนพระยาเมรินถามพระนาคเษนบอกว่ากุศลสนะีเป็นอย่างไรพระนาคเษนขอถวายพระพรนะ ศีลศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาที่ว่ากุศลธรรมเออถามเรกุศลธรรมก่อนนะถ้าถามบอกว่าศีลเนี่ยเป็นที่ตั้งของกุศลธรรมทั้งหลายเนี่ยเป็นอะไรคือกุศลธรรมท่านบอกว่าศีลศรัทธาวิริยสติสมาธิเี่เหล่านี้เป็นกุศลธรรมเหล่านั้นพญามิรินกับพระคุณเจ้าศีลมีอะไรเป็นลักษณะพนาเกษณ์ก็บขอถวายพระพรศีลมีความเป็นที่ตั้งเป็นลักษณะนะถามว่าศีลเป็นที่ตั้งแห่งกุณธรรมทั้งหลายอันได้แก่อะไร เป็นที่ตั้งของอินทรีย์5เป็นที่ตั้งของพระห้าเป็นที่ตั้งของโพชงเจ็เป็นที่ตั้งของอริยามารรคในองค์แเป็นที่ตั้งของสต ร, รีประธานสมาประธานอิทธิบาทชาญวิโมกสมาที่สมาบัติขอถวายพระพรกนไหี่ศีลเป็นที่ตั้งของของคุณธรรมเหล่านี้โอ้โห น, น่ารักษาไหมที <c oughs> นเนี้ยนะเราพิจนารณาง น, นี้น่ารักษาเลยทีนเนี้ย พรต่อไปเนี่ยนะเราจะได้มีที่ตั้งแล้วศรัทธาวิริยาสติสมาธิปัญญาทั้งอินทรีย์ทั้งพาระสติสามโพชงวิริยาสามโพชงนะสติสามโพชงธรรมวิทยาสามโพชงวิทยาสาโพชงปีติสามโพชงปัตสเตียสมาธิเป็นต้นเหล่านี้จะได้มีที่ตั้งทันที จะได้มีที่รองรับสตีจะได้มีสภาพที่มาทรงคุณธรรมเหล่านี้ไว้สักทีที่ผ่านมาคุณธรรมเหล่านี้เกิดไม่ได้สักทีเนี่ยสติปทานสมปทานอิทธิบาทอินทรพราเนี่ยพุทธชงอริยมรรคเกิดไม่ได้สักทีเลยใช่ไหมเพราะอะไรไม่มีฐานของกุศรรลศีลเขาเรียกไม่มีภาชนะอย่างดีรองรับไว้ไม่มีภาชนะรองรับอริยทรัพย์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่นี้เรารู้แล้วนี่กุศลศีลคือการจัดแจงกายกรรมวิจีกรรมเนี่ยไม่ให้กระจัดกระจายด้วยกายทุจริตวิจีทุจริตเป็นต้นเหล่าเนี้ แล้วก็มกตกรรมที่เป็นไปกับกุศลทั้งหลายเหล่านี้ไม่โลภไม่โกรธแล้วมีปัญญาเนี่ยนะพระโยค า, าวาจรตั้งอยู่ในศีลอาศัยศีลตั้งในศีลแล้วย่อมเจริญิีสีย้าได้ย่อมเจริญสัตสตินรีวิิยญีสีสติินทีสมาทินรีและปัญญีสีได้กุศลธรรมทั้งหลายทั้งปวงย่อมไม่เสื่อมไปเห็นไหมย่อมไม่เสื่อมไป แต่นี้เราก็มาตรวจสอบและแต่ละคนก็ตรวจสอบสีนห้าดูที่เป็นยังไงเจริญได้ดีไหมเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีตอนช่วงบ่ายๆเนี่ยเนะเดี๋ยวแบบเดียสักพักหนึ่งก็จะต้องหยุดเบรกเลยเนี่ยดีใจไม่จะได้เบรกเออแปลกบางคนบอกเออไปได้ยินได้ยินเลยนะ <c oughs> เรากลับไปที่บ้าน <c oughs> <c oughs> ลูกก็ถามแม่ไปทำอะไรมาอย่ากวนใจได้ไหมไปฟังทำเพิ่งมาใหม่เลย โอเป็นเรื่องแปลกมากเออแปลกจริงฟังทําเหนื่อยมากเนี่ยาอามาแสดงทำมาก็เหนื่อยแย่เลยดินแต่กลับไปใครมาเออแปลกจริงใครเป็นแบบนั้นบ้างไหมที่นั่งที่นี้ไม่มีเลยนะ้องน่าชื่นใจพระยามิรินก็ถามบอกขอพระคุณเจ้าจงช่วยอุปมาให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปหน่อยได้ไหมบอกช่วยอุปมาหน่อยบอกว่าขอถวายพระพรนะหาบอกพิษเปรียบเสมือนพืชคือต้นไม้เหล่าใดเหล่าหนึง่งย่อมถึงความงอกงามเจริญไปบูน ต้นไม้เหล่านั้นล้วนอาศัยแผ่นดินตั้งอยู่บนแผ่นดินย่อมถึงความงอกงามเจริญไปบุญได้แม้ฉันใดขอถวายพระพรพระโยคาวจรเนี่ยอาศัยศีลอาศัยปฏิโมกสังวรศีลอินเดียสังวรศีลอาชีวะปริสุทธิศีลปัจจะยาสันนิสิตศีแล้วก็เจริญศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปได้เหมือนกันฉันนะั้นเห็นไหมว่าอศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาเรารู้แล้วทําไมเราเจริญแล้วมันตกลงเรื่อยเลย รล้อย่างตัวเนี้ยอ๋อศีลไม่แข็งแรงใช่ไหมไม่มีภาชนะรองรับไม่มีพื้นแผ่นดินรองรับนี่เองพยามีรินก็บอกขอพระคุณเจ้าจองอุ ป, ปมาให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกไหนไม่เข้าใจ ถือท่านคงเข้าใจเลยแต่ท่านอยากให้เราเข้าใจยิ่งยิ่งกินไปจริงๆถ้าเป็นเราเราจะถามแบบนี้ไหมก็ต้องถามเงินเงินอยู่มั้งถามว่าเออช่วยอุป ม, มาให้ยิ่งยิ่งกินไปหน่อยที่ว่าศีลเป็นยังไงพระน่ากเกษมว่าขอถวายพระพรเปรียบสเสมือนคนทั้งหลายย่อมทําการงานที่ต้องทําด้วยกําลังเหล่าใดเหล่าหนึ่งนะคนทั้งหลายเหล่านั้นอาศัยแผ่นดินนะเวลาจะเดินจะยืนจะนั่งจะนอนไปทําไรทํานาทั้งหลายเหล่านี้ตั้งอยู่บนแผ่นดินแล้วก็ทําการงานเหล่านั้นได้ให้สําเร็จแม้ชั้นใด ขอถวายพระพรพระโยคาวจรเงฉันั้นแหละอาศัยปาติโมกสังวรศีนอาศัยศิน5้อะกัอาศัยศีล8อาศัยศีล9อาศัยอะไรอาชีวธรรมกศีลศีนที่มีอาชีวะอยู่ที่8เป็นต้นมังคารวาสนี่ยพระก็ปาติโมกสังวรอินเดียส์อาชีวะปริสติศีนปัจจะยสันนิสตศีนก็ย่อมเจริญศรัทธาวิญยาสติสมาธิปัญญาเป็นต้นได้ ทีนท่านก็บอกว่าพญาเมลีนราขอพระคุณเจ้าทําอุปมาให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกหน่อยท <c oughs> ีนี้ก็บอกว่าขอถวาย พ, พ ร, าระพรหมหาบอกพี่เปรียบเหมือนช่างเนี่ยนะที่เขาสร้างเมืองต้องการจะสร้างทีแรกก็ชําระที่ตั้งเมืองก่อนจะสร้างบ้านต้องชําระก่อนไหมชาระที่ให้ดีก่อนไหมถ้ายิ่งจะตั้งเมืองได้แล้วนี่โอ้โหต้องคานวณอย่างดีเลยนะสมัยก่อนนี่นะ กรุงเทพมหานครเนี่ยก่อนจะตั้งเมืองหลวงเลยมะโอโหต้องมีการคํานวณกันอย่างดีนะเนี่ยคํานวณพื้นที่ไม่พอคํานวณทั้งด้านโหราศาสตร์เร็งดังเยอะๆไปเสร็จใช่ไหมแล้วคํานวณทั้งด้านของเไปเสร็จแต่ชําระ้าสาสามบนเลยนะเนี่ยคือคํานวณพื้นที่ก่อนเพื่อจะตั้งเมืองต้องจัดแจงพื้นที่ไปบอกบางคนกลัวว่าอน้ําจะท่วมกรุงเทพหรือบางคนบอกสงสัยยังไม่ท่วม ง, ง่ายหรอกถามทำไม ถ้าเขาย้ายวังเมื่อไรแล้วค่อยย้ายตามโอ้เล่นอย่างนั้นเลยนะเออแต่ยึดก็ดูก็ดีนี่ถ้ามองนี้ก็เอแสดงว่ายังไม่ท่วมเหมืนนึงแต่ผู้มีบุญออกไปเมื่อไรใช่ไหมถ้ายังคนมีบุญอยู่ก็อาศัยผู้มีบุญก่อนดีไม่ดีถ้าคนมีบุญย้ายเมื่อไรแสดงว่าต้องย้ายตามเลยดีตรงนี้ก็คือว่าคือต้องเอาตอเอาหนามออกไปปรับพื้นที่ให้เรียบ ต่อจากนั้นก็จำแนกการตัดแบ่งเป็นถนนเป็นทางสี่แผงเป็นต้นสร้างเมืองขึ้นมาแม้ชันใดขอถวายพระพรพโยค่าวจรก็ใสศีลตั้งอยู่ในศีนลนกเจริญอีรีห้าคือศรัทธาวิรยิยสติสมาธิปัญญาให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปนะพระยาเมรินก็บอกขออุปมาอีกหน่อยนะบอกว่างั้นพนาเกษรขอถวายพระพรมหาบพิตษเปรี่ยนสเสมือนนักสแสดงกายกรรมนะที่ต้องสแสดงด้วยการสแสดงศิละปะก็อย่อม ให้เขาถางพื้นที่ขจัดกรวดกระเบื้องเป็นต้นสมัยก่อนเวลาเขาแสดงก็แสดงพื้นดินเวลาแสดงก็ต้องปรับพื้นที่ดีก่อนเดี๋ยวไปกระโดดไปกระเต้นทั้งหลายเดี๋ยวก็ไปเหยียบทอเหยียบหนาขึ้นมาเยอะแม้ชั้นใดต้องปรับพื้นที่ให้เรียบให้พื้นที่อ่อนนุ่มแม่ชั้นใดขอถวายพระพรพระโยคาวจรวก็ใ ส, ส่ศีลตั้งในศีลแล้วย่อมเจริญอินทรีย์ห้ศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาชนัะ เหมือนกันขอถวายพระพรพระพุทธเจ้าทรงพาษิทข้อความนี้ไว้ว่านราผู้มีปัญญาตั้งมั่นแล้วในศีล เจริญจิตคืออัปนาสมาธิอบรมปัญญาเป็นผู้มีความเพียรเป็นผู้มีความฉลาดเป็นภิกษุผู้นั้นจะถางลกชัดคือตัณหานี้เสียได้เนี่ยศีนเป็นรากเงางความเจริญยิ่งของกุศลธรรมทั้งหลายนีดุจธรณีเนีเป็นที่ตั้งแห่งสัตว์ทั้งหลายนั้นในศาสนาของพระชินเจ้าทุกๆพระองค์มีศีลนี้เป็นประธานได้แก่กองศีลมีปฏิโมกสังวรศีนันบเสฐพญามีรินบอกพระคุณเจ้านาเกษรท่านตอบสมควรแล้วนี่กรณีเนี่ อันนี้เราก็มาใข ค, ความมพิจารณาว่านี่ไงถ้าพิจารณาที่จะเห็นว่าศีลเป็นที่ตั้งจริงด้วยนะศีลเป็นที่ตั้งศีลเป็นการปรับพื้นที่อย่างดีตอนนี้เราท่านทั้งหลายถ้ากายกรรมมจีกรรมเนี่ยนะไม่เรียบด้วยทุจริตทั้งหลายที่ออกมาทางกายทางวาจาด้วยแล้วใจทั้งหลายก็มีอภิชามีพยาบาทแล้วก็มีความมินผิดอยู่ต้ อ, ตองปรับพื้นที่แล้วตอนนี้ ก็คือปรับกุศลศีลสมาทานกุศลศีลให้มั่นรักษากุศลศีลให้มั่นคงและทีนี้พอมองในด้านของศีล น, นี่นะถ้าหากในด้านของอินสีท่านขยายความตรงนี้คือว่าเอางี้ตีกว่านะเวลาที่เหลือนให้เราพักไปก่อ น, น